ตรงนี้ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างแค่ห้านะนะอีก2ข้อชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะถามว่าไอนะ้หกเนี่ยชื่อว่ากล่าวด้วยไหมกล่าวเดี๋ยวข้อข้างหน้าจะมีอีกนะสมัยที่อาโปธาที่เป็นภายนอกกําเริบย่อมมีได้แล่นะก็การแสดงธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าอุปมาหรือแสดงเนะี่ยมันต้องยกตัวอย่างที่มันชัดที่สุดเหมือนนอะอาโปธาภายนอกมันกาเริบเป็นยังไง อาโปธาตุนั้นเป็นภายนอกพัดเอาบ้านไปบ้างคือเห็นน้าท่วมไหมน้ําท่วมเอาหมู่บ้านหายไปทั้งหมู่บ้านบ้างพัดเอานิคมตําบลไปบ้างพัดเอาเมืองคือพัดเอาอําเภอไปบ้างพัดเอาชนบทเนี่ยนะหายเป็นแถบๆไปบ้างพัดเอาประเทศแห่งชนบทนั้นไปบ้างเนี่ยนะจังหวัดบางจังหวัดน้ําท่วมเลยนะปราแทศจะจมบาดาลพัดเอาข้าวของเครื่องใช้รถรถยนต์เนี่ยนะถูกพัดเอาไปเนี่ย บางประเทศเนี่ยโหถูกพัดจนเรียกว่าต้องลำเลียงขนย้ายเข้าวของออกไปจากบริเวณนั้นให้หมดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันพัดรุนแรงมากพายุโหมกระหน่าตกลงมาเนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันเนื่องจากแผ่นดินไหวเนี่ยนะแผ่นดินไหวตั้งใต้ทะเลแผ่นดินไหวใต้ทะเลเนี่ยนะคลื่นมันก็ระลอกขึ้นสูงเมื่อระลอกขึ้นสูงปั๊บเนี่ยนะมันก็พัดเอาชายฝั่งลงทะเลหมดอย่างนั้นนะคลื่นมันแรงอย่างนั้นเอง ขนาดน้ำตัวน้ำทะเลเองก็ช่างเถอะสมัยที่น้ําสมุทรน้ําทะเลเนี่ยลึกลงไปร้อยโย ด, ย ด, ย ด, ย ด, ยดน์สองรอยโยชน์สารอยโยดน์สี่ร้อยโยชน์ห้าร้อยโยชน์หร้อยโยชเจ็ดร้อยโยชน้ําทะเลลึกย่อมมีได้แล้วสมัยที่น้ําทะเลลึกนั้นเนี่ยนะขังอยู่เจ็ดชั่วลำตานหห้าสี่สามสองหนึ่งชั่วลําตาลก็ย่อมมีทะเลยังแห้งอยงนั้นน่ะทะเลมันแห้งได้ ทำแห้งได้ยังไงก็เนื่องจากว่าดวงอาทิตย์เนี่ยโครจรมารอบโลกเนี่ยบ่อยเนี่ยนะเมื่อดวงอาทิตย์โครจรมาใกล้โลกอ่ามากขึ้นเนี่ยนะสองดวงเนี่ยไม่มีกลางวันกลางคื น, นใช่ไหมถ้าสองดวงน ะ, ะปกติเนี่ยมันมันจะโลกเนี่ยมันสว่างครึ่งหนึ่งมืดครึ่งหนึ่งนะแล้วก็หมุนรอบอย่างนี้เป็นยี่สิบี่ชั่วโมงใช่ไหมก็จะแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนกลางวันสิบสองชั่วโมงกลางคืนสิบสองชั่วโมงโดยค่าเฉลี่ยทีนี้ถามว่า เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวงเนี่ยนะถ้ามีดวงอาทิตย์โคโจรมารอบโลกสองดวงอะ่ะหรือโลกเท่ากับว่าดวงอาทิตย์อยูอ่อีกด้านหนึ่งก็ดวงอาทิตย์อีกด้านหนึ่งก็ดวงอาทิตย์แล้วโลกหมุนอยู่ตรงกลางล่ะมันจะมีตรงไหนมืดบ้างน้ําแข็งเป็นต้นก็ละลายละลายลงมาน้ําทะเลก็แห้งค่อยๆแห้งลงไปเนี่ยนะน้ำเมื่อน้ําทะเลค่อยๆแห้งดวงอาทิตย์มาอีกสามดวงเป็นดวงที่สามอะไรมันร้อนระอุหมดฝนไปตั้งนานแล้วฝนฟ้าอากาศไม่มีแล้ว เนี่ยนะมันไม่มีชื้นะแล้วทีนี้น้ํามันค่อยๆแห้งทะเลค่อยๆแหง้งแห้งงวดงวดงวดงว ด, งว ด, ง, วดงวดลงไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอ่าขยิ่งอาจความร้อนมีเท่าไหร่เ <Chop> น <the most Después> ี่ยนะเคยมาแค่เราอบอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมอบในหนักหนักเข้าที่สุดในที่สุดสิ่งนั้นก็กรอบมันก็เริ่มกรอบจนเหลือเป็นผุยผงเมื่อมันหมดความเป็นผงแล้วมันจะเริ่มไหม้ชันใดโลกทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาห้าดวงหกดวงดวงดวงที่เจ็ดเนี่ยเรียว่ากรอบหมดนะ กรอกก็เลยเหือดแห้งก็ได้ว่าขนาดน้ําทะเลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเหือดแห้งน้ําค่อยๆลดจนเหือดแห้งเนี่ยนะแล้วร่างกายของเรานี่เหมือนกันใช่ไหมพอไปอบธาตุลองอบความร้อนดูสิอบอบอบอบไปเอาดึงเอาธาตุน้ําออกจากกายทั้งหมดเลยเนี่อร่างกายจะเหลือเท่าไหร่ในร่างกายของเราเนี่ธาตุน้ําทั้งหมดมีเท่าไหร่ประมาณ 75% เร์เนี่ยร่วมๆเจก็คือหนึ่งในสมในสของร่างกาย ถ้าว่าดึงเอาธาตุน้ําดึงดึงดึงดึงดึงออกน้ําออกหมดแล้วจะเหลือเท่าไหร่เหลือนิดเดียวเนี่ยนะเมื่อเหลือนิดเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงก็รียกว่าน้ําภายนอกน้ําในโลกมันยังแห้งทะเลยังเหือดแล้วน้ําตาน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําน้องน้ํามันเลี้ยวน้ําไข่ข้อน้ําปัสสาวะทั้งหลายเป็นต้นมันจะไปจีรังยั่งยืนมั่นคงทาวลอะไรได้ขนาดไหนเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นใจก็ยังบอกว่ามันแน่มันแน่ใช่ไหม มันก็แมมมันโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงเลยมันยืดยืดมันเหมือนกับว่ามันมันแน่มันนอนมันท้าวอนมันมั่นคงแก่งการเลือเกินเนี่ยนะทั้งที่จริงๆแล้ก็ไม่มีอะไรนะแม่ก็บอกว่าจะลุกจะเดินจะเหินก็คล่องแคล่วพอหมดน้ำไขข้อเข้าไปในคลัคลักคลัเน่ะคลักๆลัคลกแล้วนะก็ว่าพอรน้ําน้ําตามร่างกายในหมดครับหมุนตัวทีดังกรับเนี่ยนะก็แสดงว่าอะไรมันเป็นอะไรเกิดขึ้น่ะ กรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยบางคนเนี่เดินนี่ยังกัเขย่าอะไรสักอย่างนึงคล่องแคล้งเหมือนเกวียนเก่าๆเนี่ยนะก็เรียกว่าหมุนไปก็คล่งแครงคล่องแคลง่งแคล้งเนี่ยนะฉันนั่นนั่นแหละเคยได้ยินรถที่มันมันน้ำมันแบบจารบีมันน้อยน้ํามันหล่อเลื่นมันน้อยไหมนะร่างกายทั้งหลายก็ลักษณะนั้นแหละถ้าน้ำน้ำถ้าน้ําเลือดมันลดลงไปอ่ะศูญเสียเลือดในกายจะเป็นยังไงศูญเสียน้ําในร่างกายมากๆจะเป็นยังไงศูญเสียเสมหะเนี่ยศูนย์เสียเสมหะก็คืออะไรก็สูญเสียน้ําในร่างกาย น้ำในร่างกายนั่นแหละคือพวกกลุ่มเสมหะน้ำคัดหลังที่อยู่ในกายถ้าน้ำเสมหะคือน้ำคัดหลังที่อยู่ในกายเหงื่อแห้งไปสักสามลิตรก็เดือดร้อนใช่ถ้าน้ำเลือดเหงื่อแห้งไปน้ำน้ำตาเหงื่อแห้งไปถ้าน้ำดีในร่างกายไม่มีเลยถ้าไม่มีน้ำดีนะไม่มีน้ำดีไม่มีอะไรน้ำมันข้นเนี่ยหมดเลยไม่มีน้ำมันข้นไม่มีน้ำมันเหลวเลยจะเป็นยังไง อันน่ะไม่มีน้ําเลือดไม่มีน้ําเงือเลยเนี่ยนะไม่มีเงือเลยเนี่ยนะก็เกิดใหม่อย่างเดียวนะแต่ก็สรุปว่าสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้ขนาดภายนอกอยังไม่จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรแน่นอนอะไรเลยนะบางทีเนี่ยประเทศที่น้ําเคยท่วมเนี่ยใช่ไหมอย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้นําท่วมปีก่อนเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะแรงแรงไงหาน้ําดื่มได้ง่ายหรือเปล่า ไอ้ตอนน้ำท่วมเนี่ยมันมาท่วมฟ้าท่วมฝนท่วมเมฆท่วมอะไรไปหมดอ่ะนะพอเอาเข้าจริงๆแหนอีกฤดูหนึ่งหาน้ำจะดื่มไม่ได้หาน้ำดื่มยากลำบากเหลือเกินฉันใดเนี่ยนะก็อาโปาธาตภายนอกอ่ะนะอาโปาธาตภายนอกเนี่ยนะถึงมากถึงอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็มีให้เห็นความสิ้นไปก็มีให้เห็นความเสื่อมไปก็มีให้เห็นความแปรปลนไปก็มีให้เห็น ขนาดมันยิ่งใหญ่อย่างนั้นยังเหือดยังแห้งไปนี่เขาบอกว่าดาวอังคารเมื่อก่อนมันเคยมีอะไรไหมมันเคยมีน้ําใช่ดาวอังคารเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หาน้ํำดื่มได้ไหม ย, ยากฉันใดเนี่ยนะโลกของเราทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาขนาดสิ่งเหล่านั้นมันยัง เหือดแห้งมีให้เห็นเห็นฉไห น, นความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปยึดถือกายนี้จริงๆมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกมันมีแต่ตันหานั่นแหละตันหาไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่มันยึดถือจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วกายนี้เนี่ยตั้งอยู่ตลอดการพอประมาณเนี่ยนะกายเนี่ยนะน้ำตาเนี่ยจะมีใช้ได้นานเท่าไหร่ ต่อมน้ำตานี่จะมีให้ใช้เยอะไหมต่อมเหงื่อเป็นต้นมีให้ใช้เยอะไหมต่อมน้ำลายนี่จะมีสูตรซับมาเป็นน้ำลายได้เยอะไหมมันพวกสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปมันก็ไม่เที่ยงสิ้นเสื่อมแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏมีให้เห็นก็มนานสิการนี่นะมนานสิการถึงความสิ้นไปความเสื่อมไปเนี่ยนะอานิจจานุปัสสนาก็ตั้งมั่นทุก สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเมื่อมรรสการเห็นสภาพที่ไม่เที่ยงมากๆขึ้นไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกเนี่ยนะตอนแรกก็ได้เจริญอณิจจะสัญญาสองอ น, นิจเจทุกขสัญญาพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกทุกเขอนัตตาสัญญาก็เห็นสิ่งที่เป็นอนอัเห็นสิ่งที่เป็นทุกนั่นแหละว่าเป็นอนัตตา เห็นไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเมื่อมนสิการอย่างนั้นมากๆความยึดถือด้วยสามารถแห่งตัณหามานะทิฏฐิในอาโปทาจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอนุภาพของอนุปัสนาทั้งอนิจจานุปัสนาทุก ข, ขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาแล้วก็นิพพิธานุปัสนาวิราคานิโรธา ตลอดจนถึงปฏินิสคานุปัสนาทีนี้เมื่อมนาสิการอย่างนั้นไปอย่างนั้นไปหากชนเหล่าอื่นจะพึงดา่าพึงตัดพ้อกระทบกระเทียบเบียดเบียนภิกษุนั้นใสภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรทุกขเวทนาเกิดจากโสตสัมผัสเกิดขึ้นแล้วแกเรา ก็แต่ว่าทุกขเวทนานั่นแหละอาศัยเหตุจึงมีได้ไม่อาศัยเหตุมีไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงมีก็บอกทุกขเวทนาหรือว่าความเสียใจเกิดจากโสตสัมผัสจึงมีภิกษุนั้นและย่อมเห็นว่าภาษะก็ไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นว่าเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นก็เป็นของ ไม่เทียงย่อมพิจารณาเห็นว่าวิญญาณก็เป็นของไม่เทียงจิตมีธาตุคืออาโปธาตุนั่นแหละเป็นอารมณ์ของพิสุคือวิปัสนนนนปปสนานั้นย่อมเล่นไปนะวิปัสสนานั้นย่อมไม่ติดขัดวิปัสสนานนัตั้งมั่นด้วยอนิจจานุปัสสนาตั้งด้วยทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาจิตย่อมหลุดพ้นจากตันหามานะเลทิฏฐ หากว่าชนเหล่าอื่นพยายามทำร้ายภิกษุนั้นเนี่ยนะคือตอนแรกเนี่ยนะเเรียกว่าถูกด่าแล้วก็เจริญวิปัสสนาจนหายกโกรธหายเสียใจหายไม่สบายใจเนี่ยนะจนอนุปัสสนาก็ยังเล่นไปอยู่ดีทีนี้เกิดภิกษุอื่เอเกิดคนอื่นมาทำร้ายประทุษร้ายทางร่างกายละ่ะ หากว่าชนเหล่าอื่นพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจด้วยฝามือก้อนดินท่อนไม้สาตราภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดด้วยวิปัสนาปัญญาอย่างนี้ว่ากายนี่แหละเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งอะไรถ้าไม่มีกายจะถูกตีหรือไม่มีกายจะถูกพางปลาหรือไม่มีกายจะถูกพ่นท่อนไม้หดเข้ามาหรือไม่มีกายจะถูกสาตราอาวุธเป็นต้นหรือเนี่ยนะ เอางี้ะสถานที่ไหนที่ประเบิดปรมานูลงเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีร่างกายของเราไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นมันน่ากลัวไหมถ้าไม่มีกายอะไรเราไปเกี่ยวข้องอยู่บริเวณ น, นั้นไม่น่ากลัวโรคเนี่ยนะปืนกลสมัยใหม่มันยิงนาทีละสองล้านนัดเนี่ยนะถ้าไม่มีเอากายของเราไปเป็นภาชนะรองรับเนี่ยปืนกลมันจะน่ากลัวอะไรตรงไหนใช่อะไรก็ช่างเถอถ้าไม่มีกายเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะทุกอย่างนั้นนั้นที่ว่ามันน่ากลัวมันไม่น่ากลัวโรค บอกงูนี่แม่มันน่ากลัวเหลือเกินถ้างูถ้าสมมตถ้าเราไม่มีกายให้งูกัดกะงูมันจะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวรอกไฟแม่มันไม่น่ากลัวเหลือเกินถ้าเราไม่เอาตัวไปให้มันไหม้อะไฟอันนั้นจะน่ากลัวไหมก็แสดงว่ากายนี่แหละจึงเป็นที่เป็นสาธารณะแห่งท่อนไม้ก้นดินเนี่ยเคเห็นนักมวยไหมต่อกันผู้ภาคผู้ภาคถ้าไม่มีกายไปอยู่ตรงนั้นมันจะสูกต่อยไหมมีก็เพราะกายนี่แหละเป็นวัดถั่ที่ตั้งแห่งการถูกถูกตรุมถูกตีถูกเตะถูกต่อยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะ ศาสตราอาวุธทั้งหลายก็อาศัยกายนี่แหละเป็นที่เกิดขึ้นนี่ถ้าหากว่าถูกทุบ ถ, ถ, ถูกปีเป็นต้นอย่างนั้นละ่ะบอกว่ารู้ชัดว่ากายนี่แหละเป็นเนี่ยนะอาโปธาต์นะปัทวีธาต์อาโปธาต์เตโชธาต์ธาต์เหล่านี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งฝา่ามือก้นดินท่อนไม้และศาสตราเสร็จแล้วก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบ ด, ด้วยเลื่อยไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจนตั้งหลาย แม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤต่ำช้าเพิ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยเลื่อยอันมีด้ามสองข้างภิกษุผู้ที่ยังใจให้ปะทุสไรในพวกโจรแม้นั้นย่อมไม่เป็นผู้ชื่อว่าทำตามคำสอนของเร า, านะเพราะถ้าหากว่าโกรธก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสอนอันหนึ่งความเพียนอันเธอปรารบไว้แล้วไม่ย่อหย่อน สติอันตั้งไว้แล้วไม่หลงลืมกายให้สงบแล้วจักไม่กระวนกวายจิตตั้งมั่นไว้แล้วจักเป็นเอกคตาเพราะฉะนั้นคราวนี้การประหารด้วยฝ่ามือทั้งหลายจะเป็นไปในกายการประหารด้วยก้อนดินท่อนไม้สาตราจะเป็นไปในกายก็ตามทีเธอคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะทําให้จงได้จะด้วยเหตุผลใดจะถูกคฤด เพราะฉะนั้นจะปวดหัวจะตัวร้อนจะปวดจะเมื่อยจะไม่สบายจะเป็นหวัดอะไรก็ช่างเถอะจะปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดอะไรก็ไม่ถือว่าเป็นภาระเป็นปัญหาในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไอ้กายนี้เนี่ยแปลกว่าอย่างที่บอกว่าปวดหัวท้าปวดหน่อยหนึ่งแโอ้โหมันปวดมากแล้วมันจะเริ่มขยับขึ้นนะดีกรีความปวดมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยนะสมัยก่อนๆเนี่ยนะสมัยเด็กๆนะ ที่มันปวดนิดเดียวนะเราบอกโอ้โยปว่วยแน่แย่แน่คราวนี้แย่ใ น, นที่สุดนอนเลยแผลเลยนั่นตอนหลังโอ้เห็นเป็นรายเลยนะมันปวดมากจริงๆนะแต่มันก็เห็นเป็นรายเอ็มมันก็เห็นปวดเท่าไหรเอ็มนทนได้นี่เมื่อก่อนโ๊้ปวดหน่อยหนึ่งได้เหตุอันสมควรเนี่ยนะหาหลับฮานอนหานีงานหรืออะไรก็ได้จะได้อ้างโอ้ใหญ่จริงๆมันปวดมากจริงปวดนิดเดียวเนี่ยนะ บางเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแตเครได้มันก็บอกว่าเหยียบกะลาแล้วบอกงูกัดตายแน่งานนี้ร้องให้ตายตายไม่รอดแน่เนะพอรู้เอาเหยียบกะลานี่แค่นั้นหายแทบหายเป็นปลิดทิ้งเนี่ยนะคือความเจ็บความปวดความทุกข์บางทีมันอยู่ที่คิดเอาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเรายึดกายนี้มากให้ค่ามันมากมันยิ่งเป็นเอามากนะแปลกนะยิ่งแบบยิ่งเอาอกเอาใจยิ่งทนุถนอมยิ่งแบบโอ้ยใส่ใจดูแลอย่างดีนะแทบตายเนี่ยนะ แต่กายนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะโอ้ยมันไม่ใช่เชื่อฟังอะไรหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นภาระสำคัญที่จะอะไรเจริญกุศลธรรมไม่ถือว่าความเป็นไปแห่งร่างกายมันจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นวัดยังไงก็ถือว่าไม่ให้ประเด็นที่เราจะเลิกเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปซีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรับใช้เธอมานานแล้วกายเอ้ยเนี่ยนะ